แล้วก็แที่เรียกว่าเข้าปาศีษะพระหัวแตกเลยนะนะมารผู้มีบาปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชำเลืองดูดูอะไรดูมารเนี่ยนะเหมือนช้างชายตาดูแล้วก็ตรัสว่าทูสีมารนี่ไม่รู้จักประมาณเลยเรียกว่าแค่แค่บอกว่า บาปที่เธอทํามันยังไม่พออีกหรือเนี่ยนะเจตนารร้ายที่หาเรื่องพระมาตลอดยังไม่พ อ, อหรือแค่เราว่าแขว่งจนได้ตกนรกจริงๆเลยหรือดิ้นจนได้ตกนรกจริงๆริงอมารผู้มีบาปครั้งนั้นทูตสีมารเคลื่อนแล้วจากที่นั้นแล้วก็เข้าถึงมาหานรกพร้อมด้วยกิริยาที่ชําเลืองดูนะพระโมคคานณะเนี่ยจริงๆแล้วท่านไปนรกค่อนข้างบ่อยนะนะไปนรกค่อนข้างบ่อยจริงๆแหละ อันนั้นอย่างเนี้ยสมัยพระพุทธเจ้ากากูสันทะเขาไปเกิดเป็นมารใช่ไหมจริงก็โน่นอ่ะปรนิมิตตวสวัสดีไปทะเลาะ ก, กับพระจนได้เรื่องตกนรกอีกอนะแล้วถัดจากนั้นมาอีกเนี่ยนะก็ไปมีเมียเมียก็เสี้ยมให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ตกนรกอีกยาวเลยเนี่ยนะก็จากนรกสู่นรกในขนาดสั่งสมบูรณ์มานะแล้วก็ชาติที่มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะมีองค์เดียวอ่ะที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไปแล้ว เป็นอสงไขยแสนกล่าวว่าจะจุติจากนรกแล้วมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะเนี่ยนะก็เรียกว่าโหในขนาดสร้างบารมีมาขนาดนี้นะแล้วคนบุญน้อยเหมือนเราลนะ่ะจะไปไหนจากไหนสู่ไหนดีนะจากที่นี่สู่ที่นั่นจากที่นั่นสู่ที่นี่นะก็ต้องคิดให้ดีว่าไปยังไงมายังไงนาะเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ยของเราไปดีอย่างเดียว ลองถามดูว่าคิดดีจริงหรือเปล่านะถ้าคิดดีอาจจะไปดีนะก็อยู่ที่ความคิดถ้าดูความคิดถ้าความคิดดีๆผุดในใจขึ้นเรื่อยๆดีแน่ๆเนะี่ยแต่แบบมคิดนะไอ้คนนั้นมันก็ใช้ไม่ได้นะไอ้คนนั้นก็น่ารําคาญไอ้พูกพูดทําไมอย่างนั้นเป็นต้นถ้ายอย่างนี้ก็ระวังดีมันจะสร้านแล้วกันนะถ้าดีสร้างก็ลําบากกั้นนะมันก็พยายามคิดว่าเออเนี่ยเราจะไปอย่างไหนเนาะเนี่ยนะ รักษาจิตให้มันดีๆจุติปฏิสนธิในสวรรค์ในเปรตมันก็คือปฏิสนธิจิตนั่นแหละเนี่ย น, นะทีนี้พอที่ถามว่าพระพุทธเจ้ามองจนตกนรกใช่ไหมมองไม่เพราะกรรมที่ประทุสร้ายในพระมหาสาวกเนี่ยนะ พระผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสิญจน์นะอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติอริยวิมุตติญย่างนัศนะผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมขนาดนั้นนะมีจิตประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเราโกรธ ด, ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและถลึงตาดูด้วยความโกรธเนี่ยนะดวงอาทิตย์จะประทุสร้ายเราใช่ไหมหรือเพราะความที่เราไม่รู้จักประมาณของเราเอง เนี่ยนะเหมือนอาหารเนี่ยนะอาหารถึงจะมีอุปการะคุณแต่ถ้าเราบริโภคผิดประเภทเนี่ยนะอาหารก็ฆ่าเราได้เนี่ยนะฉันใดก็ดีรถเนี่ยนะถ้าเราขับผิดประเภทจริงๆแล้วก็เป็นนาเป็นสิ่งที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายได้แต่ถ้าเราใช้ผิดประเภทก็ปทกัทุส้ายเราได้พระผู้เป็นนาบุญของโลกถ้ามีจิตปัทธุส้ายในท่านเหล่านั้นก็บาปเนี่ยมันก็ก่อร่างขึ้นมาในใจเพราะนั้นพร้อมกับกิริยาที่พระพุทธเจ้าดูนั่นแหละตกนรกเลย มารผู้มีบาปมหานรกนั่นแหลมีชื่อสามอย่างนะปกติแมมจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์นีอันนี้ขึ้นสวรรค์แล้วดิ่งมาตกนรกงเยมหานรกมีสามชื่อว่างนั้นชื่ออะไรผัสสายตนิกะก็มีสังกุสะมหัตะก็มีชื่อว่าปัจจตะเวทนิยะก็มีนะทกทาธิบายหน้าสี่ร้อยแปดสิบสองแปดสิบสามว่า พอมาจุติเนี่ยนะตกนรกชื่ออะไรผัสสยยตนะหกเนี่ยนะก็คือเป็นชื่อของเวทนาที่เกิดในนรกเนี่ยนะเจ็บปวดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยนะแล้วก็ชื่อว่าสังสุสังกุสมาหตะก็คือหมายความว่าพร้อมด้วยตะขอกแปลว่าถูกอะไรถูกฉับฉับฉั บ, ฉ, บฉับเนี่ยนะถูกตะคอนี่เกี่ยวเอา เชื่อว่าปัจจตเวทนิยะก็คือหมายความว่าเจ็บปวดด้วยตัวเองนี่แหละเนี่ยนะไม่มีใครเจ็บแค่ว่าไม่มีอนัตตาบางอย่างมันทําให้ตกนรกได้มันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครเป็นอัตตาอะไรที่ไหนหรอกแต่ว่าอนัตตาอย่างเงี้ยมันตกนรกเพราะอะไรเพราะเจตนาที่ชั่วร้ายนี่แหละเป็นปัจจัยในข้อ565หน้า471กล่าวต่อไปว่ามารผู้มีบาป ครั้งนั้นแลพวกนายนริยาบาลเข้ามาหาเราแล้วก็บอกเราว่าเมื่อใดแลหล้วเหล็กกับเหล้าเหล็กมารวมกันอยู่ที่อกหรือหัวใจของท่านเมื่อนั้นท่านรู้เถอะว่าตอนนี้เราไม่อยู่ในมหานรกเนี่ยพันปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะหมายค่ะว่าถ้าเหล็กเนี่ยมันจะทิมเนี่ยนะมันทิมมันจะแค่มันก็่อยลึกๆๆๆกินลึกเข้ามาจนถึงหัวใจเนี่ยถ้ามาม า, มารวมซี่เหล็กมาชนกันตรงหัวใจใเมื่อไรรู้ว่าพันปีแล้วนะ มารผู้มีบาปเรานั้นและหมกไม่อยู่ในมหาน ร, ก, รกนั้นหลายร้อยปีหลายพันปีไม่ใช่ไม่ใช่พันปีเดียวนะหลายพันปีพอจุติจากมหาน ร, ก, รกก็มาหมกไม่อยู่ในอุตสถานรกเรียกบริวารของมหาน ร, ก, รกอีกสเสวยทุกขเวทนานหนักในนั้นอีกหมื่นอีกหมื่นปีศีรษะเหมือนศีรษะมนุษย์ก็มีบางครั้งศีรษะก็เหมือนหัวปลาก็มีก็ถุกทุบนั่นแหละ ทูเสือนะแล้วก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ให้มานฟังพระบิณฑบาตูสีมานประทุสรายในพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากัปุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูสีมารประทุสร้ายสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ประเสริฐพระนามว่ากะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้คือมีเหล้าเหล็กร้อยหนึ่งล้วนให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นจริงก็เล่าประวัติตัวเองให้ฟังนะบอว่าฉันเคยทําบาปมานี่หลานเอ้ยลุงเคยตกนรกมาแล้วนะแบบนั้นนะหลานจะได้เดินตามลุงเลยเนี่ย น, นะคล้ายกัแบบลุงขี้เล่าเมาย า, ายาขี้เล่นการพนันนักเลงหัวไม้ไม่ต้องก็มาสอนหลานเนะี่ยหลานเอ้ยไม่ดีหรอกลุงเคยมาหมดแล้วอย่างเงี้ย น, นะ ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้จักนรกนั้นมารผู้ประทุษรายนี่นนะมารผู้ประทุษร้ายในภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกขอย่างหนักก็หมายความว่าผู้มีจิตคิดประทุษรายเหมือนซัดทุรีทวนลมเนี่ยเป็นไงเคยเห็นมองเห็นลมนี่มันมาแรงเหลือเกินเกลียดลมเหลือเกินเนี่ยนะจับฝุน่นจับทรายเนี่ยปาใส่ลมแล้วหันหน้าต่อสู้ลมเนี่ยนะตาบอดไหมมานะเปอร์เซนต์สูงเหมือนกันนะเนี่ย น, นะก็อะไร เรียกว่าประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายเหมือนซัดธุรีทวนลม น, นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ซัดธุรีนั่นแหละจะประสบทุกข์ทีนี้อันนี้เป็นพระพร ะ, พระมหาโมคคลานะเตือนเตือนมาราที่ราชเนี่ยนะเตือนพญามาเนี่ยว่าระวังให้ดีนะอย่าคิดประทุษร้ายเลยนะนะเพราะการประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไป เสร็จแล้วก็กล่าวยกย่องถึงว่าพระมหาโมคคลานะนั้นมีมีอริยะคุณอย่างไรบ้างบอกว่าวิมานทั้งหลาย ตั้งอยู่ในถ้ำกลางสะมีความตั้งอยู่ตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพยทูนมีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชติช่วงเป็นประพัสระเลื่อมเนี่ยนะเลื่อมใสเนี่ยนะพวกนางอับซ้อนมีสีต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่ที่วิมานเหล่านั้นภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นมานท่านปทุสรายภิกษุผู้รู้จักสวรรค์วิมานเนี่ยนะท่านจะประสบทุกขนะ์หนัก ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับกล่าววิมานเนี่ยนะวิมานวัตถุว่าพระมหาโมคคลานะเนี่ยเป็นพระที่สนทนากับพวกเทพพระบุตรเทพพธิดาเป็นปกติคือท่านจะมีปกติไปผลสนทนากับพวกเทวดาทั้งหลายแล้วมาเล่าให้ญาติญาติพวกเขาฟังว่าเออเนี่ยญาติของท่านจุติปฏิสนธิที่นั้นนะมีวิมานเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีการเล่าก็ออกมาเป็นคัมภีร์เลยนะคำพีวิมานวัตถุเนี่ยเป็นผลงานของพระมหา โมคาลานะเป็นหลักเนี่ยนะท่านก็จะเล่าว่าท่านเคยไปเยี่ยมเทวดาแล้วเทวดาที่เคยทําบุญถวายทานแบบไหนแบบไหนคิดอย่างไรแล้วจึงได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกลับมาเล่าเ น, นี่ยนะอัน้นผลงานวิมานวัตถุเป็นหนังสือเป็นเล่มเนี่ยเล่มสี่สิบเนี่ยนะเล่ม48นเม48นเี่ยเป็นคำพี์วิมานวัตถุเนี่ยนะสี่สก็สุตตานิบาตสี่ิบเจ็ดก็วิมานวัตถุ49ก็เป็นเปตตวัตถุเนี่ยนะห้ก็เป็นเถระคาถาเป็นต้นนะ เล่มเปตตะวัตถุกับวิมานวัตถุเนี่ยเป็นผลงานของพระมหาโมคคลานะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวพอสมควรเลยนะเที่ยวไปในเทวโลกบ้างนะเที่ยวไปในวิมานต่างๆก็ไปถามว่าวิมานของท่านมีสีเหลืองไปหมดเลยท่านทําบุญอะไรมาวิมานของท่านเป็นสีเงินเป็นสีทองดูก่อนเทพพิดาเป็นต้นนะท่านทําบุญอะไรมานางก็จะเล่าให้ฟังเคยถวายทานเคยรักษาศีลอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นก็เป็นคัมภีร์วิมานวัตถุ ส่วนผู้ที่ทําบาปลนะ่ะเนี่ยนะท่านก็ไปเยี่ยมนรกเยี่ยมเปรตเหมือนกันเนี่ยนะว่าเออนรกเป็นยังไงเปรตแต่ละแต่ละกลุ่มเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าให้พุทธบริษัทฟังอันนี้ก็เป็นวิมานวัตถุที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่พระมหาโมคคลานะในในชาติสุดท้ายท่านก็ถูกฆ่าตายนะ ท, ที่ที่กาละศีลาข้างภูเขาวิสิคิริที่ ท, ที่นั่นนะอ่าที่เมืองราชคเกิเนี่ยพระโมคคลานะถูกทุบตายเขาก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกพวก เดรธีเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธศาสนามันรุ่งเรืองเพราะอะไรมันเจริญเพราะอะไรก็คุยกันไปหาสาเหตุว่าเหตุที่ทําให้พระพุทธศาสนาเจริญเนี่ยเพราะอะไรก็มีกลุ่มหนึ่งกขาบอกเพราะพระมหาโมคคลานะนี่แหละเป็นตัวส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าทําไมอะ่ะก็เพราะว่าท่านไปเยี่ยมนรกแล้วมาเล่าให้ญาติฟังคนก็กลัวบาปทําบุญยิ่งขึ้นไปสวรรค์แล้วมาเล่าให้พวกมนุษย์ฟังเขาก็เลื่อมใสเขา ก, ก็ทําบุญกันยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําลายนะง่ายนิดเดียว ฆ่าพระมหาโมคคลานะซะที่จริงก็เชื่อนะว่าเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะตกใช่ไหมของตัวเองก็ไม่ได้อยากได้สวรรค์ต้องการแต่ลาบสาการะอย่างเดียวต้องการแต่ชื่อเสียงเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่สนใจนะรกสวรรค์ก็เลยวางแผนฆ่าพระโมคคลานะจ้างโจนจ้างโจนให้ไปทุบพระโมคคลานะเนี่ยนะทุบจนกระดูกแหลกป่นเลยเนะี่ยกระดูกป่นเลยแต่สุดท่านก็ประสานกระดูกแล้วก็ปรินิพานไปพรานั้นก็แต่ว่าพวกโจนเหล่านั้นก็ถูกทุบก็ถูกประหารหมดนะนะ ประชาชนศัตรูประหารเกลี้ยงเลยนี่พูดถึงว่ากลุ่มพระมหาโมคคลานะเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่อย่างว่าผู้มีฤทธิ์เดชมากอะไรมากเนี่ยนะมันก็ไม่ทําดีตลอดใช่ไหมมันก็แบบก็ว่าอะไรนะอำนาจเนี่ยนะอำนาจไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันนะเนีย่ยนะคนยิ่งใหญ่คนมีอํานาจเนี่ยนะแหมมันพร้อมที่จะให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้เนี่ยโกรธเร็วเหมือนธุลีเข้าตาเขาบอกงั้นนะนี บอกว่าผู้มีอำนาจเช่นพระราชาทั้งหลายก็บอกว่าโกรธเร็วเหมือนธุลีเข้าตาเพราะฉะนั้นนี้ต้องระวังให้มา ก, มากๆกันมางั้นก็พออย่างว่านะไอตอนมีอำนาจก็ทำบาปได้ไม่มีใครต่อว่านะพอหมดบุญเข้าคันนี้แล้วเอ้ยน้ำลดเนี่ยนะพอน้ำลดต่อทั้งหลายก็ผุดขึ้นหมดเลยเนี่ยนะที่ไหนที่ไหนเลวร้ายยังไงยังไงยังไงก็มาหมด ในความสามารถของพระมหาโมคคลานะต่อไปอีกซึ่งพระมหาโมคคลานะบอกว่าท่านเนี่ยมีความสามารถเช่นนี้เช่นนี้มารท่านอย่าได้คิดเบียดเบียนผู้มีคุณเช่นนี้เลยเดี๋ยวท่านจะประสบทุกข์เนี่ยนะก็บอกว่าภิกษุใดเข้มแข็งด้วยกําลังริษย์ยังเวชยันตแต่ประสาทให้ไหวด้วยปลายนิ้วเท้า และยังพวกเทวดาให้สังเวชภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมานปรปทุสร้ายภิกษุผู้เช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักมีอยู่ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลานะเคลนไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะเพื่อไปถามปัญหากับเท้าสักกะทีนี้เท้าสักเท้าสักกะโม่แต่เพลิดเพลินมัวเมาเนี่ยนะพระมหาโมคคลานะก็เลยกดปราสาทเนี่ยด้วยโป้งเท้าเนี่ยปราสาทก็ห ว, วั่นไหวเนี่ยนะ ก็บอกว่าท่านมีฤทธิ์ขนาดนี้นะทำามาเบียดเบียนท่านมันบาปอยงนั้นฮะก็คือคือไม่ต้องการให้มานี่นะผู้เป็นหลานเนี่ยเดือดร้อนใช่ไหมก็นแนนะนําม่ให้ทำร้ายลุงเลยเดี๋ยวเธอจะเดือดร้อนภิกษุใดทูลสอบถามเท้าสักกะในเวชยันต์ตระศาสว่าอาบุโสท่านรู้ความที่จิตน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาบ้างหรือรกระว่าตัณหาสังขยาวิมุตติจิตที่น้อมไปในความสิ้นตัณหาเนี่ยท่านรู้ไหม ท้าวสกกะถูกถามปัญหาก็พยากรณ์แก่ภิกษุนั้นตามสมควรแก่กถาผู้ใดภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้จักเหตุทั้งหมดนั้นเนี่ยนะมาปรปฏิทุสลายภิกษุเช่นนั้นท่านจะประสบทุกข์อย่างหนกักเลี๋ยวท่านจะเสียใจนะอย่าได้เดือดร้อนใจตอนหลังเลยอย่ามาเบียดเบียนพระมหาโมคคลานะผู้ทรงคุณอย่างนี้เลย ภิกษุใดสอบถามปัญหากับพรหมที่ใกล้สุธรรมสภาวก็คือในในสุสธรรมสภานี้ที่พรหมโลกนะว่าท่านผู้มีอายุทิฐิของท่านในวันนี้และทิฐิของท่านมีในวันก่อนท่านย่อมเห็นทิฐินั้นล่วงไปแล้วและรัศมีเป็นประพาสในพรหมโลกบ้างหรือ no ห, หมายว่าไปถามว่าพระกะพรหมท่านมีความเห็นเหมือนเดิมไหมยังยืนยันต่อไปไหมว่าพรหมโลกเที่ยงย่างยืงย น, นิพพานอยู่ที่นี่แล้วอย่างนั้นนะ